ไหอยพระพุทธประตามประสมขอโอกาสจะคณะสมแล้วก็เชิญพรญาติโยมทุกๆท่านครับวัตามกาก็สำหรับเช้านี้ก็ได้รับมีมลให้พูดสักน้อยนะครับก็ พวกเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบกับพุทธศาสนาแล้วก็ได้เกิดอาศัย อยู่วัดปาสกโตอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับเพื่อนการยนมิตรแล้วก็มีกายก็พอที่จะปฏิบัติกันได้มีใจมีสติพอสมควร ก็นี่ก็หายากนะโดยเฉพาะที่มืะเไทยนี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็ตมาก็ได้หลายประเทศมาก็รู้สึกว่าเห็นพุทธศาสนามีความชีวิตจีวาก็คือว่ายัง ม, มีเกนสารพุทธศาสนา ก็ย so, uh, uh, ังม so, ีอยู่ยังปฏิบัติกางอยู่เพราะว่าปฏิทีิยังพุทธศาสนาก็เรียกว่าก็ยังงั้นแต่แกนสาของพุทธศาสนาหายไปก็มีมีแต่ ศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลแต่ว่าศาสนาธรรมนี่ก็ก็ขาดแคลนก็มีนะเช็มประเทศญี่ ป, ปุ่นที่เขาทมาอยู่ก็คนที่ศึกษาคนที่ปฏิบัติทำกันก็น้อยกว่านะก็สมาก็มีพิธี กัเป็นการสวดมุมพระสนโกเป็นอาชีพสวดแล้วก็รักษาสุสานคนที่ตายเก็บกระดูกไว้ที่วัดนี่ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ดีแต่ว่าก็ปฏิบัติกัน พไม่เคยได้สองเท่าไหร่แล้วก็คนที่อยู่ในประเทศลาอาประเทศญี่ปุ่นนี้ก็มีคนกสิรษฐกิจก็พอพอสมควรดีแต่เรื่องจิตใจอาจะกัดแครนหน่อยเพราะว่ า, าศาสนายังไม่ค่อย มีความดีต่อระบุคคลได้เพราะฉะนั้นนีああ่ก็สมัยนี้ก็ไม่ว่าคนที่ตายกันเป็นรถจนกันรถจมกันตายเพราะการจราจรนี่ก็น้อยลงน้อยรลง ความระเบียบทานกับรถอะไรก็ก็มีบ้านอยู่ศึกษาแล้วก็ฝึกขัดขับรถนี่ก็ดีก็เลยคนติดตายไปน้อยรองน้อยรตอนนี้ก็ปีหนึ่งก็าตายเพราะ อาการจราจรสจองกันนี่ก็ประมาณ4 0 0พัคน4 0 0พัคนก็น้อยรองเพราะว่ามีคนที่อยู่ในประเทศนั้นก็มีหลายคนร้อยสามสิล้าคน 4, ก็สีพันของก้าใหญ่น้อยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบคนติดตายเพราะค่าตัวตายกัน่าตัวตายนี่ก็มากอันนี้ก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปีนึงก็สามหมืนสองพันสามพันคน มากกว่าคนที่รุจนหลายเท่าหกเจ็ดเท่าได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่ก็เราก็ต้องหึกขัดจิตใจถ้าความคิดคิดเก่นถ้าคิดเก่งมาก บางทีไม <ítulo> anyway, ่รู้จักจะคิดอย่างไรไม่ได้ฝึกขัดก็ก็หลงทางกันได้เราก็รู้จักระเบียบกฎจราจรมีสัญญา สีแดงสีเขียวก็ก็หรือว่าหยุดหรือว่าไปได้มีระเบียบก็กับรอบก็มีแล้วก็พยายามที่จะอ่าไม่ได้กินเล่ากันถ้านอนง่วนนอนก็ ไม่ได้ขับรถพักพรนไปก่อนก็พอที่จะเราฝึกขัดกันก็เลยพอขับรถกันได้ไปสบายไม่ได้จองกับรถเออหรือว่าจองกับคนแต่ว่าถ้าเรา ไม่ได้ฝึกขัดกับจิตใจนี่ก็มีปัญหาจิตใจก็กายๆ า, ายนั่นแหละกับกลางฝึกขัดลดกันมีระเบียบปินัยของจิตใจนี่ก็เป็นสินเรารู้จักว่าทำยังไงดีทำยังงน้น แค่ยังไงไม่ดีเป็นพื้นฐานก็รู้จักระเบียบการจราจรเหมือนกันนี่ก็เป็นพื้นฐานเรารู้แล้วก็พยายามทำตามหาสัญญากันได้ จิตใจนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นรถอยู่ในในเมืองในเมืองก็รถกันเยอะแยะถ้าเราขับรถมันปิดไปนิดหนึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์รถจองกันได้จิตใจก็เหมือนกันพอ เพราะฉะนั้นนี่เราก็ฝึกกันก็สำคัญมากก็มีสติสติรูจ้จักตื่นตัวไปเสมอเสมอถ้าเราคนที่ไม่มีสติก็เหมือนกับว่าคนที่หลับอยู่ไหนรถคนที่เมารถก็ไม่มี ที่จะไปด้วยดีได้ถ้ามีสติก็ก็ล่อไปก็รด้จากไปเดือดเดียวขวาเลียวซ้ายก็ไป สบา ย, บายแล้วก็เราก็รู้ตัวรู้ตัวมันจิตใจมันเป็ น, น, นดายละเอียดมากว่า สติได้ก็ มีชีวิตชีวิตอยู่สุบทุขะตุกรรมสุขก็ไม่ได้พยายามทีจ่จะอสศิให้เรารู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันแล้วก็ ก็ปล่อยไปได้ไม่ได้เกิดทั้งหากามาตั้งหาภาวะตั้งหาวิภาวะตั้งหานี่ก็ไม่เกิดก็ได้ ถ้ายันเดิมตัวหล่นไปก็เราก็ให้รู้ต้นนั้นแหละก็ไม่ได้ไปถึงปัาทางก็ได้ถ้าเป็นปัาทางเกิดก็เป็นสนอนก็มีอ่า ติได้แล้วก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นทางกง า, ายเครื่องไหวทาอะไรกันอยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้น ก็เกิดปัญญาปัญญาก็ามาจากกาแห่งถ้าไม่ชัดก็ไม่ได้เกิดปัญญาถ้าเห็นชัดก็เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นก็เข้าใจความทุกข์เมื่อไร ความทุกข์เกิดขึ้นทางกายก็ดีทางใจก็ดีก็เห็นมันไม่ได้ทำตามมันแต่ก่อนนี้อแล้วก็ไปตามกายทุกใจทุก แต่ว่ามีสติได้แล้วก็ไม่ได้เป็นมังเห็นว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่ว่าทุกข์ก็เพราะมันเพศผลไอเป็นผลเป็นผลไม่ใช่สาเหตุมันเป็นอาการ ก็เลยเราก็พยายามที่จะเห็นทุกแล้วก็เห็นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ถ้ามันร่างกายมันร้อมมีไข้ถ้าเราไม่รู้จัก สาเหตุก็เราก็าจะทำปิดรักษามันปิดเช่นว่าร่างกายมันร้องมีไข่เอาน้ำอาอบเย็นๆอาบน้ำบ่อยๆทเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลง นี่ก็คนจะไม่ถูกต้นเพราะว่าอาจจะเพงไข่เพงอ่ามากขึ้นก็ได้เพ่งบัดหนักขึ้นก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้จักรักษา จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นาสาเหตุที่ทำให้เกิดปีไข้อันนี้ก็เป็นผมพยายามที่จะรักษากใหา้เอาดังก รักษาถูกต้นเพราะว่าสาเหตุนี้ก็ร่างกายสาเหตุที่ร่างกายมันมีไข้มีแปลงหวัดนี่ก็เพราะว่าร่างกายมันก็ไม่มีความสมเด็นก็เลยให้สมเด็จกัน จะแก้ได้หรื่า เสปยาก็มั น, เ ป, นเป็นสาเหตุทำให้เกิดไอเกิดเป็นโรปอดก็ได้ถ้ากินยาบรรเทายันเดียวไม่ได้เราดูสาเหตุไม่ได้ปฏิบัติกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ นี่ก็หายไม่ได้อาจาจะเป็นหนักไปเรื่อยๆก็เรื่องหึกหัดจิตใจก็เหมือนกันแล้วก็มันเกิดความทุกข์ก็มีสาเหตุก็คือว่าเป็น สังารปตานความอยากความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นนี่ก็เราไม่ต้องอทอเสือกับทุกข์ก็ได้ทุกข์ก็เอาแต่เห็นแล้วก็ปฏิบัติกลาง ตังหาอุ ป, ปทานคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตังหาเกิดขึ้นก็ให้มีสติปล่อยไปวางลงอุ ป, ปทานก็ไม่ให้เกิดขึ้นได้บ ที่งามงามก็เวทนาสุขมันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาเราไม่ต้องปฏิเสธแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ถือก็เป็นเกิงก็เป็นตางการธรรมดาเกิดก็ดับไป พราอเรายึดมันถือมันไม่ได้ติดกับมันไม่ได้แป้งกับมันหรือว่าความหิวความร้อนทางกายมันเกิดขึ้นเป็นนาคามเป็นทศ ท, ท, ทุกกเวชนาเราก็บ้างเห็นเห็นเฉยเฉยแล้วก็เรากบปฏิบัติกางกับสาเหตุ ้าดอมมากก็อาบน้ำซะก็ได้หิวมากๆก็กินข้าวพอดีพอดีก็ได้ก็บราวทาคางความทุกข์ทางกายก็ก็บันเตาลง ความทุกก็เหมือนกันแล้วบันทีสัมผัสกับธรรมารมสัญญาเรื่องอดีตมันเกิดขึ้นที่ ทุกขเวทนาจะเกิดมันก็ไม่สบายใจแต่ว่ามันก็เห็นเฉยๆก็ได้เราไม่ได้คิดมันก็ปลุนแตนไปอ้อเจ็บใจเรื่องอที่เราทำผิดไม่สำเร็จบางทีก็ ทำการทำผิดพาด ถ้าเราเป็นนี้ก็เป็นทางหาละปฏิ ไปเรื่อยๆจงกระตัมบันทีก็เป็นคนที่โรคจิตก็ได้ไปโรงพยาบาลไปตีนีกก็ได้เพราะว่ามันคิดมากเกินไปก็สร้างไม่รู้จักว่าสร้างด้วยตรงเองเขาไม่ดีเพราะอย่างนี้อย่างนี้เรื่อเราตัวเอง ที่ ก็ไม่ชัดเราก็เห็นแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็เลยเราก็ทำอะไรกันดื้อึงเองทำปิดก็ไม่รู้จัก กุศลธรรมนี้ก็จริงๆไม่ครัว่าเป็นของเก่นะกุศลธรรมนี้ไม่เก่งเก่งนี่เก่งเพราะเรารู้จักทำวิธีที่ถูกต้องแต่กุศลทำผิดไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้น ไม่รู้จักปฏิบัติกับตัวเองถูกต้องสร้างไม่รู้จักเลยสร้างปรมาณไรสิ่งที่ปิดปิดไปเรื่อยๆแต่เราก็ปฏิบัติก็การเปลี่ยนไปได้ถ้าถูกกระเบืนาจิตใจสัญญาเด ปุนเต็มไปทำลายตัวเองทำลายเพื่อนทำลายจิตใจตัวเองด้วยเราก็รู้จักว่าออเป็นบทเรียนกันด้เพราะอดีตโอแหงว่าอ๋อทำปิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ทำอย่างนั้นต่อไปก็ไม่ทำอย่างนั้น กาอนจะเป็นสำเร็จกันได้เราเข้าใจไม่ต้องทำให้เกิดทุกข์ทำเป็นความรู้เป็นปัญญากันได้ทุกขเวทนาก็แป๊บเดียวก็หายได้เพราะว่าเราก็ดีที่จะเข้า รู้จัตติวิธีการยกมือสานจังวะเตินจงกรมนี่ก็ได้ผลดีมากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้เป่งอะไรมากก็เปิดจิตใจก็เปิดเผยความรลบรู้สังขาร ไม่ได้ปิดตาดานในด้านนอกมันเป็นเือนต่นตางกายต่างใจความเื่นนั่นแหละที่เป็นสำคัญ ม, มากเป็นผู้รู้เปืดอเดินเพื่อเบิกบานเบนิกป่าเมืองกับดอกไม้ป่าดี มาชาติก็เกิดขึ้นมารู้จากวาความรู้นี่ก็ยินดีความเตือนเอ้ยินดีแปกบางก็ยินดีก็ชีวิตก็กเปลี่ยนไปได้เป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์เป็นชีวิตเป็นสุขนะครับ ก็จะนู่นี่ว่าเราก็กา่ปฏิบัติใจสถานที่ปัสกาโตแล้วก็ใส่คำสองของคราาูบาอาจารย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะได้เก่งตามฝึกขัดจิตใจ ชีวิตก็